ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่102สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่102สองให้คติธรรมว่าปัญญา ว, วะทนเนณเศยโย ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์นี้คือทมคำสอนของพุท ธ, ธในสมัยเมื่อพระพุทธองค์สวยประชาิเป็นมโหสถท่านก็ได้โต้วาทะกับปาดในครางนู้นจนเป็นเรื่องที่ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์สมัยก่อนเขากะว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาเพราะว่าคนที่มีทรัพย์มากจะทำอะไรก็ได้ คนที่มีปัญญาก็มาเป็นลูกน้องของคนที่มีทรัพย์เพราะฉะนั้นทรัพย์เขาจึงถือว่าเลิศประเสริฐกว่าคนที่มีปัญญาแต่มโหสดที่ท่านผู้มีปัญญาเลิศกว่าคนในยุคนั้นท่านบอกว่าปัญญาเลิศกว่าทรัพย์ก่อนที่จะเป็นทรัพย์ขึ้นมาได้ตั้งแต่เริ่มหงแรลแปลธาตุออกมา ถ้าคนโง่แล้วทำไม่ได้ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะทำได้และก็พร้อมกันคนที่มีปัญญาแล้วก็คนโง่ครองทรัพย์แต่ผู้มีปัญญาที่จะทำไม่ไม่ช่วยผู้มีทรัพย์ก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เขาก็ต้องช่วยผู้มีทรัพย์เพราะมีทรัพย์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทรัพย์กับปัญญา ถ้าจะว่าไปก็เป็นของคู่กันคนมีปัญญาจะก่อนจะค่อยมีทรัพย์และก็คนที่มีทรัพย์ก็ต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่จะมาบริหารจัดการให้เพราะนั้นทั้งสองอย่างเป็นของคู่กันความเป็นมาของพระพุทธศาสนาท่านยกย่องว่าปัญญาเนี่ยเลิศกว่าทรัพย์ทั้งหลาย ถ้าว่าผู้มีปัญญาถ้าเป็นคนปัญญามากขี่โกงสักหน่อยแล้วก็โคดโกงเขาได้ง่ายๆอีกเหมือนกันถ้าโคดโกงคนโง่นะถ้าเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะนั้นเรื่องปัญญาตัวนี้นะมันดาบสองคมเหมือนกันถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นศีลเป็นธรรมถ้าใช้ไปในทางมิจฉาคือความโลภในทรัพสมบัติของผู้อื่นก็เป็นไปได้ง่ายอีกเหมือนกัน เพราะนั้นปัญญาเนี่ยถ้าว่าอยู่กับคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้มีปัญญาแล้วก็มีคุณธรรมในจิตใจ อ, อยู่ในสถานที่ใดในอยู่ในชุมชนกลุ่มใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าคนที่มีปัญญา แต่ไรคุณธรรมนั่นแหละอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็เดือดร้อนวุ่นวายแน่แน่เพราะอะไรเพราะเขาใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นปัญญาสรุปแล้วก็คือเป็นดาบสองคมใช้ไปในทางที่ถูกหรือใช้ไปในทางที่ผิดมันเป็นได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่ได้ศึกษาทมคำสอนของพุท ธ, ธะให้ใช้ปัญญาปัญญาสัมมาทิฏฐิใช้ไปในทางที่ถูกต้อง จะอยู่ด้วยการมากน้อยกับรบเย็นเป็นสกุลหน้ากันด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้เข้าไปอบรมศึกษามาขอขอให้มาคุ้มครองพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธิน